Book 2 3สา1สอดทริสเด s มิทวที่ร้านอาหารสรีตรดิฉันอยากได้ออเดิร์ค่ะอุสกู ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ e s, at, <S v a l o s salatus ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ e s v a l o s zuppo ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ e s v a l o s d e s e r t u ดิฉันอยากได้อาイスครีมใส่วิปครีมค่ะ Es vēlos saldējumu a ม p u t ร์พุตตุเครย์ยูมูดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะเอสเวล s สอุกลุสไวซ a เอรูเราต้องการทานอาหารเช้าเมสเวลเมสเปเราต้องการทานอาหารกลางวัน m ม s vēlamies p ไปอิสปุสเดียนส์เราต้องการทานอาหารเย็นไม่สวัลลิมิสไป a ิ a วาคกอริญส์อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะคุยอุสวัลติสบรู a กสติสขนมปังกับแยมและน้ำ m ึ้งไหมคะไม่ดีตมาลาที่อุดุ ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะโดสเตอร์ไมซ์อร์ดัสสูนซิรไข่ลวกไหมคะวาเรตัอลุไข่าดาวไหมคะเวอรชัตติ อ, อมเล็ตไหมคะออมเมรติ ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะลูดจุเวลเวีโโยเกิร์ตขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะลูดจุซาลิอุนพิปปอร์สขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะลูดจุเว ล, เ ว, ลเวีโกลาซอูเดนส